หน้ากลุ้มโดยดังตรินตอนที่44 <S 2> <S 2> <S แม้แต่ขยะยังหายากขึ้นเพราะวิกฤตเศรษฐกิจกดันยอดคนเร่ร่อนพุ่งแต่ละคนก็มุ่งนางขยะมาแปลงเป็นเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้รอดไปในแต่ละวันแถมร้านค้าก็เริ่มรู้ว่าขวดน้ำและกระป๋องน้ำอัดลมทำราคาได้จึงไม่นิยมทิ้งคว้างเหมือนเมื่อก่อน ทำให้รายได้คนเร่ร่อนขาดมือหนักขึ้นอีกส่วนใหญ่คนเร่ร่อนเก็บขยะหาเลี้ยงชีพนั้นจะแก่เท่ากันเกือบทั้งสิ้นเพราะทำอย่างอื่นที่หนักกว่าเก็บขยะไม่ไหว ถึงไหวก็ไม่ค่อยจะมีใครเขาจ้างดังนั้นข่าวหน้ากลุ่มชิ้นนี้จึงบอกเราว่าปัจจุบันมีคนแก่ตกรกรรมลำบากเพิ่มขึ้นจากที่แย่อยู่แล้วยิ่งแย่หนักขึ้นไปอีกเมื่อก่อนผมเคยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมจึงมีคนแก่ก้มหน้าก้มตาเก็บขยะข้างทางแถมตกเย็นก็นอนใต้สะพานทำไมจึงไม่ไปอาศัยบ้านลูกหลานหรือญาติญาต เพราะการตากแดดตากฝนตากลมอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั้นเสี่ยงต่อการเป็นไข้าตายอย่างยิ่งพวกเขาไม่มีลูกหลานหรือว่าลูกหลานไม่ดูแลจากการสำรวจล่าสุดพบว่าขณะนี้มีคนชราจำนวนหนึ่งต้องออกมาเร่ร่อนเพราะอยู่กับลูกหลานไม่ได้หรือพูดง่ายๆคือลูกหลานไม่ใส่ใจว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไร แม้รู้ทั้งรู้ว่าผู้อาวุโสของครอบครัวออกมาเผชิญกับความหนาวเย็นของโลกนอกบ้านตามลําพังก็ตามทางหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเกี่ยวกับด้านนี้ยังคาดการอีกด้วยนะครับว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้มากขึ้นเมื่อเร็วๆ เ, เนี้ยก็เพิ่งได้ข่าวลูกเอาแม่ซึ่งแก่ชราและแทบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มาปล่อยไว้บนถนนเปลวชนิดที่คาดได้ว่าจะหาทางกลับบ้านไม่ถูก โดยไม่เหลียวหลังกลับมาสนใจว่าจะเป็นตายร้ายดีร้องห่มร้องไห้อยู่ตามลำพังอย่างไรสำหรับคนทั่วไปแค่คิดว่าทับปล่อยพ่อแม่ออกจากบ้านแบบไม่รู้ว่าจะระหกระเหินไปอยู่ที่ไหนใจก็แทบขาดแล้วครับอย่าว่าแต่จงใจเอามาปล่อยเพื่อให้พ้นรำคาญตัดภาระออกจากบ้านเลยทำไมจิตใจของมนุษย์คนหนึ่ง จึงลดสํานึกลงเท่าสัตว์ได้นักประพันธ์ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าความยากจนเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายทั้งปวงผมมา ค, คิดดูก็เหมือนจะจริงความจำเป็นต้องดิ้นรนเอาตัวรอดอย่างยากลำบากทำให้มนุษยธรรมรั่วไหลออกจากจิตใจมากขึ้นทุกวันแม้ความเห็นแก่พ่อแก่แม่ก็ไม่เหลือแต่ขณะเดียวกันก็นึกต่อไปอีกว่า ความร่ำรวยก็ใช่จะเป็นต้นเขาของความดีงามนะก็ความโลภหวังสมบัติเคยทำให้ลูกค่าพ่อค่าแม่มาตั้งกี่รายแล้วทุกอย่างมารวมลงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมดีชั่วอยู่ที่ตัวทมไม่ใช่อยู่ที่ความมั่งคั่งหรืออัตคัดขัดสนคนชราเร่ร่อนเพิ่มมากขึ้นแปลว่า คนทิ้งพ่อทิ้งแม่มีมากขึ้นแล้วคนทิ้งพ่อทิ้งแม่มากขึ้นเป็นประวัติการแปลว่าอะไรก็แปลว่าคนที่จะต้องรับผลกรรมจากการทิ้งพ่อทิ้งแม่จะทวีตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการนะสิ นากลุ้มโดยดังตรินตอนที่สี่าเด็กสมัยเนี้ไม่อยากเป็นหมอไม่อยากเป็นวิศวกรไม่อยากเป็นอะไรอย่างอื่นกันละอยากเป็นคนดังอย่างเดียวเลยนี่เป็นข้อมูลที่ได้จากการสํารวจอย่างจริงจังในอังกฤษโดยองค์กรแห่งหนึ่งออกสอบถามเยาวชนคนรุ่นใหม่ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร คำตอบอาจทำให้ผู้ใหญ่หนาวแล้วเริ่มหันมาสนใจเสียทีว่าเราจะเอาใครมาแบกรับภาระโลกอนาคตกั น, ปป น, นก็คุณกันไปก็หายกันไปห้นททงก็อยากจะดังมันจึงต้องไปในเมื่อใจมันเอาสยญ ยอมทําทุกทางตะกิวตะกายฮืมฮตะกิวตะกายคุณคิดว่านังแบบเชาอย่างปารีสหิวตันมีอิทธิพลแค่ไหนหลายคนคงยักไหล่และคิดง่ายๆว่า ก็แค่ผู้หญิงที่โชคดีร่ำรวยสวยใสแต่ทำตัวเหลวแหลกไม่มีค่าควรแก่การใส่ใจอันใดแต่ถ้าบอกว่าเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่อยากเป็นอย่างเธอละ่ะอะไรจะเกิดขึ้นหากคุณมีลูกสาวและอยากให้ลูกสาวโตขึ้นเป็นผู้หญิงดีๆไม่มีข่าวเช้าให้พ่อแม่อับอายขายหน้าได้ทุกวันแน่นอนครับปารีสฮิตันจะดูมีความหมายขึ้นมาทันที อย่างน้อยคุณต้องเห็นว่าเธอคือแนวโน้มจูงใจให้วัยรุ่นยุคใหม่หลงผิดตามและหน้าที่ของคุณในฐานะพ่อแม่ก็จะต้องป้องกันลูกจากภาพและเสียงใดๆจากต้นแหล่งของความหลงผิดเช่นนางแบบระดับโลกคนนี้ประเทศอังกฤษนะับเป็นประเทศที่รุ่งเรืองแล้วผมหลีกเลี่ยงการใช้คำว่าเจริญด้วยความจงใจนะครับและจัดเป็นประเทศหนึ่ง ที่มีบทบาทกับโลกทั้งใบอย่างเช่นที่ทุกคนก็เห็นว่าเป็นคู่หูคู่คิดกับอเมริกาในการบุกอิรักและก่อให้เกิดการนองเลือดระบาดไปไม่รู้จบประเทศที่ต้องรับผิดชอบกับชะตากรรมของโลกใบนี้กำลังจะมีอนาคตแบบไหนเราต้องสำรวจจากคุณภาพของเยาวชนในวันนี้ผลคือหนึ่งในสี่ของเด็กวัยรุ่นอายุระหว่าง1 6ถึงปีระบุว่า พวกเขาต้องการเป็นนักร้องและนักดนตรีมากที่สุดอันดับสองรองลงมาคืออยากออกทีวีและทำงานด้านสื่อต่างๆถึงอีกเกือบหนึ่งในสเช่นกันอันดับสามนี่ซื่อมากเลยครับเด็กวัยรุ่น 14% เอร์เซนต์ตอบแบบตรงไปตรงมาว่าอยากเป็นคนดังคนดังในที่นี้หมายถึงอะไรเช่นปาร i สฮิวตัน หรือไม่ก็ไม่เคลื่อนจักระ น, นั่นแหละเด็กวัยรุ่นไม่สนใจว่าคนดังเหล่านี้จะก่อวัตจีกรรมอันใดไว้เอาเป็นว่าดังก็แล้วกันถือเป็นแบบอย่างให้เจริญรอยตามได้หมดคัดเอากลุ่มอยากเป็นคนดังคนในวงการบันเทิงออกจึงค่อยเหลือพวกอยากเป็นครูอยากเป็นแพทย์หรืออยากทำงานด้านกฎหมายซึ่งล้วนแล้วแต่หน้าปรารถนาน้อยกว่าการเป็นคนดังทั้งสิน้น คุณอาจเข้าใจสถานการณ์ได้ชัดขึ้นถ้าทราบว่าเมื่อ30ปีก่อนผลสำรวจมักออกมาว่านักร้องนักสแสดงจะเป็นอันดับรองรองเหมือนน้ำจิ้มประจำการสำรวจเท่านั้นโลกเรากำลังเปลี่ยนไปในทางที่เหล่าคนดังกล้าทำเรื่องเฉาโชกันมากขึ้นแค่สังคมน้อยลงและไม่รู้สึกว่าต้องรับผิดชอบกับอะไรมากไปกว่าตันหาของตนเองแต่คนกลุ่มนี้แหละ ที่เป็นแบบอย่างเป็นขวัญใจเป็นชีวิตอนันาปรารถนาในอุดมคติสำหรับไทยเราคงไม่จำเป็นต้องสำรวจก็น่าจะมองเห็นกันด้วยตาเปล่าเลยทีเดียวครับว่าเป็นไปตามแนวโน้มเดียวกันหรือยิ่งหนักกว่าที่อังกฤษหรือไม่ถ้าไม่อยากให้อะไรๆตกต่ำลงไปกว่านี้คงต้องทำอะไรกันหลายอย่างเลยครับหลังๆผมฟังคาให้การของเหล่าคนดังที่เด็กวัยรุ่นอยากจะเรินรอยตา ม, มามาก พอจะสรุปว่าคนยุคเรากำลังหลงทางกำลังเดินอยู่บนทางทุกข์ที่ฉาบอยู่ด้วยสีสันน่าสนุกและความมั่งมีเงินทองช่วยกันเอาคำตอบดีๆให้ได้แล้วกันนะครับทำอย่างไรจะบอกลูกของเราว่าถ้าลูกต้องการความสุขอย่ามองไปที่ทีวีแต่ให้มองดูใจตัวเองให้เป็นถ้าทยานมากไปเรียกว่าทุกข์ถ้าทยานน้อยลงจะเรียกว่าสุข สอนให้ได้อย่างเนี้ยหรือทํานองนี้ลหละครับถึงจะแก้ปัญหาของโลกยุคต่อไปได้จริงบทความโดยดังกริ่นจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่55เสียงอ่านโดยโจโช อยากจะเป็นจะมุ่งไปเป็นอะไรดีๆสักอย่างค<ม>งจะมีหนทาง<ม>ก็ฝันกันไป<ม>อยากจะเป็นคนสำคัญคงสักวันจะก้าวไกล<ม>ไปเป็นดาวดวงใหญ่จะดงจะดัง แม่จะล้มก็คิดจะคลานเมื่อจะสร่านกระเซ็นก็คิดแล้วคุ้มจะขอไปเป็นยังวังจะร้อนหรือหนาวก็พร้อมจะทนจะไปเป็นคนยิ่งใหญ่ก็คุนกันไปก็หายกันไปห้นไทย ก็อยากจะดังมันจึงต้องไปในเมื่อใจมันเอาสยายอมทำทุกเธอแต่เกี่ยวกะกายแต่เกี่ยวตะกาย